เย็นมากแล้วลุกขึ้นมองไปรอบรอบตัวโอ้นั่นมันึุงน่ากลัวเหลือเกินมันนั่งเลี้ยปากหาออกไปห้าวาเท่านั้นมันมันข้างเสือโครง่งตกใจกลัวจนตัวแข็งอาวุธสักชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวจะวิ่งก็ไม่ทันกว่าราสุดท้ายคงมาถึงแล้ว การเดินทางอันยืดยาวสิ้นสุดลงที่ปากเสื อ, อ น, นี้เองเสือโค่งใหญ่จริงๆนั่งเลียปากจ้องมองอย่างคิวกระหายมองไม่เห็นทางรอดเลยเอาละเห็นทีจะต้องใช้วิธีพระอริยเจ้าทั้งหลายปฏิบัติสืบๆกันมาพยายามเรียกร้องความเข้มแข็งทั้งหมดกลับคืนตั้งจิตแน่วแน่เขาพระเจ้าสลาเพศคารวด ออกบวชในพระพุทธศาสนาอุทิศเฉพาะพระบรมศาสดาข้าพเจ้าสละแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตและร่างกายนี้ถ้าหากในชาติปางก่อนข้าพเจ้าเคยก่อกรรมทําเวรไว้กับเสือตัวนี้ขอให้เสือตัวนี้จงหักคอข้าพเจ้ากินเป็นอาหารซะข้าพเจ้ายินดีพลี้ที่ชัยนี่กรรมเก่าให้หมดไป แต่ถ้าเราไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันในชาติก่อนขอให้เสือตัวนี้จงหลีกไปตามทางของตนเาพเจ้าจะได้ไปตามทางของข้าพเจ้าต่อไปอะอะไรกันนั้นเพราะอธิษฐานเสร็จเจ้าเสือเสื อ, สอครูตัวนั้นกระโดดหายเข้าฝ่าไป โลงอกเหมือนยกภูเขาใหญ่ออกไปจากตัวเหมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวขว้าบาบดและปวดรีบเดินทางต่อไปไม่มองไปทางข้างหลังอีกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไเผชิญกับสัตว์ ร, ร้ายต่อไปไม่ต้องัวอีกแล้วทำวิธีนี้สัตว์ ร, ร้ายก็จะหนีไปเอง นี่เหจะต้องค้างคืนอยู่ที่นี่แต่ก่อนอื่นต้องขอบินทบาทน้ําดื่มแก้กระหายจากกระท่อมดินหลังนั้นก่อนและไปหาที่พักภายนอกหมู่บ้านอ๋อมีคนโผล่ออกมาจากกระท่อมพอดีเป็นชายกลางคนท่าทางล่ำสันบึกบึนเห็นที่จะเป็นเจ้าของกระท่อมหลังนี้โอ้ขอเชิญท่านมาพักกลางไหนก่อน ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านตามมีตามเกิดขอบใจเ อ, อ่อเชิญนั่งบนตังนั่นข้าพเจ้าจะไปจัดของมาต้อนรับท่านเจ้าของกระท่อมคนนี้ใจดีจริงๆเขาเดินหายไปหลังกระท่อมคู่เดียว<ๆ>ก็กลับออกมาพร้อมด้วยถาดอาหารวางถาดอาหารลงตรงหน้าเ อ, อ่อเชิญท่านบริโภคอาหารเหล่านี้ตามความประสงค์ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ต้อนรับ สมณพราหมณ์มานาแล้วนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าทีเดียวที่ท่านแวะมายังกระท่อมของข้าพเจ้าขอบใจมากอุบาสกแต่ท่านคงไม่เข้าใจธรรมเนียมของสมณนะธรเนียมอะไรหลือท่านธรรมดาสมณะไม่ยอมบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงวันไปอาตมาเป็นสมณนะจึงไม่อาจจะบริโภคอาหารฉลองศรัทธาท่านได้ แต่ท่านก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็หิวมากข้าพเจ้าคิดว่าท่านบริโภคอาหารก็คงไม่เสียหายอะไรเจรงอยู่ในการบริโภคอาหารไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเสียหายอยู่ที่ว่าอาจจมาล่วงละเมิดวินัยของสมณะที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงบัญญัติไว้นั้นต่างหากท่านออกจะเครื่องครัดเอรเบียบวินัยเกินไปซะแล้วเคร่งครัดเกินไป ก็ทำให้ตัวเองลำบากนะท่านข้าพเจ้าเห็นว่าคราวจำเป็นเช่นนี้ควรฝ่าฝืนระเบียบวินัยสักบางตัวก่อนอุบาสกคนในโลกนี้มีสองจำพวกจำพวกหนึ่งดึงเอาระเบียบวินัยเขาหาตัว ถือตนสําคัญกว่าระเบียบในคนจําพวกนี้เป็นผู้ทําลายระเบียบกฎเกณฑ์ต่งตางๆที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งไว้เพื่อความสงบสุขในชุมนุมชนจะถูกพวกนี้ทําลายหมดแต่นับว่าเคราะห์ดีอยู่มากที่คนจำพวกนี้มีอยู่น้อยถ้ามีมากๆ ก, กฎหมายบ้านเมืองจะถูกทําลายหมดบ้านเมืองก็จะกลายเป็นบ้านไม่มีขื่อไม่มีแพรความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้น ทุกยอมยากนี่คือพวกที่ดึงเอาระเบียบวินัยเขาหาตัวแล้วอีกพวกหนึ่งล่ะอีกจำพวกหนึ่งชอบดึงเอาตนเข้าไปหาระเบียบวินยัยถือระเบียบวินัยสำคัญกว่าตนเมื่อจะทำจะพูดอะไรต้องคิดดูอย่างรอบคอบซะก่อนว่าการกระทําการพูดนั้นจะขัดกับระเบียบวินัยข้อใดหรือไม่ถ้าเห็นว่าขัดเขาจะไม่ทาเปดันขาด แม้ตนจะได้รับความลำบากเพียงใดก็ยอมคนจำพวกนี้จัดว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้รักษาระเบียบของสังคมสังคมใดมีคนประเภทนี้อยู่มากสังคมนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปสำหรับอาตมาเป็นคนจำพวกหลังการบริโภคอาหารในยามวิกาลเป็นการฝ่าฝืนวินัยของพระบรมศาสดาอาตมาจึงไม่อาจจะทำได้ แล้วท่นานไม่หิวหรอกนะอาตมารู้สึกหิวเหลือประมาณแต่ก็ยินดีที่จะเลือกเอาตายเพราะความหิวมากกว่าที่จะฝ่าฝืนพระวินัยของพระบ ร, รมศาสดาท่านสมณะภูเจริญเมื่อขบเจ้าทราบความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านในอันที่จะรักษาพระวินัยยิ่งกว่าชีวิตเช่นนี้ทําให้ขบเจ้าเกิดความเคารพยำเกรงในท่านขึ้นอีกเป็นอวีคูณ ข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ได้ชักชวนให้ท่านบริโภคอาหารเพราะความไม่รู้ว่าท่านเป็นคนจริงคนหนึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าพบมาดูก่อนดูบาศพคนเราเมื่อได้ตัดสินใจที่จะเป็นอะไรแล้วควรเป็นจริงจริงจึงจะใช้ได้ถ้าเป็นอย่างครึ่งครึ่งกลางๆอย่าเป็นซะเลย จ, จะดีกว่าอาตมาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นพระในพระพุทธศาสนา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 ท่านสมณะผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกประกาศแต่ก็ยังสงสัยอยู่ท่านสงสัยอะไรสงสัยระเบียบวินัยที่พระภิกษุในพุทธศาสนาอย่างท่านจะพึงปฏิบัติทําไมเหรออยากรู้ว่ามีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่วินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้สําหรับพระภิกษุมีสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิกขาบท สองอยี่สิบเจ็ดสิกขาบททำไมมากมายอย่างนั้นท่านปฏิบัติตามได้ครบบริบูรณ์ได้อย่างไรอัตมาปฏิบัติครบบริบูรณ์อย่างสบายเยา ว, ว่าแต่วินัยเพียงสอง้อยี่สิบเจ็ดสิกขาบทเลยแม้จะมีมากกว่านั้นสักรอยเท่าอัตมาก็ปฏิบัติตามได้อย่างสบายเช่นเดียวกัน โอ้ท่านสมณะผู้เจริญท่านทำให้ขเจ้าเกิดความสงสัยยิ่งขึ้นกรุณาบอกขเจ้าด้วยว่าท่านรักษาได้อย่างไรขเ a ้ a เป็นคารวาัตรรักษาศีลเพียงห้าสิกขาบทก็รักษาแทบไม่ไหวอยู่แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจรักษาแล้วถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันสิกขาบทเขาก็รักษาไว้ได้ แต่สำหรับคนที่ไม่ตั้งใจจะรักษาอย่าว่าแต่ห้าสิขาบทเลยแม้แต่สิขาบทเดียวก็รักษาไม่ได้ความตั้งใจที่จะรักษาหรือความตั้งใจที่จะงดเว้นนี่แหละคือศีลอันแท้จริงส่วนความชั่วทั้งหลายที่ท่านจำแนกไว้เป็นสี่ข้อบ้างแปดข้อบ้างยี่สิบสองบ้างสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อบ้างนั้นไม่ใช่ตัวศีล เป็นแต่เพียงประเภทความชั่วประเภทความชั่วถูกแล้วเป็นเพียงประเภทของความชั่วที่ท่านบรรยายไว้ให้ทราบว่าจะต้องเว้นจากอะไรบ้างเท่านั้นแล้วตัวศีลที่แท้จริงล่ะตัวศีลที่แท้จริงคือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาหรือทางพระท่านเรียกว่าวิรจเจตนา ขอความกระจ่างแจ้งกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะท่านผู้จเจริญอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นสมมติว่าท่านเป็นนายโคบานเลี้ยงโคไว้สองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวถ้าท่านต้องการรักษาโคเหล่านี้ไว้ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในที่แห่งเดียวกันท่านอาจจะทําได้สองวิธีดดวยกันวิธีหนึ่งท่านจะต้องถือท่อนไม้ยืนคอยดูว่าโคตัวไหนกาลังจะแตกฝูง เมื่อเห็นแล้วท่านจะต้องรีบวิ่งไปไล่ต้อนโคตัวนั้นให้กลับฝูงขณะที่ตัวนี้กลับเข้าฝูงตัวอื่นก็เริ่มออกอีกท่านต้องรีบวิ่งไปไล่ตัวนั้นบางทีออกจากฝูงทีละหลายตัวท่านต้องทำงานหนักวิ่งไปมารอบๆฝูงโคไม่ได้หยุดหย่อนนี่เป็นวิธีหนึ่งและ ว, วิธีที่สองล่ะท่านผู้เจริญวิธีที่สองท่านไม่ต้องไปไล่ต้อนโคทีละตัวให้ลาบาก พี่จะปักหลักใหญ่ลงไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงและเอาเชือกผูกโคทั้ง227ตัวนั้นมารวมไว้ที่หลักแห่งเดียววิธีนี้ท่านไม่ต้องวิ่งวุ่นคอยไล่ต้อนโคท่านเพียงแต่ยืนดูที่หลักนั้นเป็นครั้งคราวตราบใดที่หลักยังมั่นคงและแข็งแรงอยู่วัวจะหนีไม่ได้เป็นกัรขาดวัวดังกล่าวในตัวอย่างนี้เปรียบเหมือนศีลหรือระเบียบวินัยในข้อหนึ่งข้อหนึ่ง หลักที่ผูกอวัวไว้เปรียบเสมือนความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วที่เรียกว่าวิรจเจตนาถ้าทำตามนี้ไม่ว่าศีลมีกี่ข้อท่านก็จะรักษาได้หมดวิธีรักษาศีลที่ถูกต้องคือรักษาใจของท่านเองใจที่ยินดีแต่ในบุญในกุศลเกลีลยด น, นายต่อความชั่วทุกชนิดนั่นแหละคือใจที่มีศีลหัวใจของศีลอยู่ที่นี่ ถ้าจะรักษาศีลต้รักษาที่หัวใจของศีล น, นี้ในทางบ้านเมืองพระราชามหากษัตริย์ได้ทรงออกพระราชกำหนดกฎหมายไว้รักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากมายถ้าจะนับเป็นมาตราก็มีจํานวนเป็นร้อยเป็นพันทีเดียวบัตทีประชาราชนไม่รู้จะได้สามไปว่ากฎหมายอะไรบ้างมีกี่มาตราแต่เขาก็อยู่กันได้อย่างสงบราชบุรุษมาจับเข้าไปใส่พันธนาการก็ไม่ได้ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรหรือท่านเพราะเขาปฏิบัติตามกฎหมายความจริงเขาหารู้ไม่ว่ากฎหมายมีอะไรบ้างแต่ทําไมจึงปฏิบัติถูกทําไมหรือท่านเพราะเขาปฏิบัติหัวใจของกฎหมายหัวใจของกฎหมายมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือสุจริตกับยุติธรรมจะทําจะพูดอะไรขอให้สุจริตและยุติธรรมแม้ท่านจะไม่รู้กฎหมายเลย ก็จะไม่มีวันผิดกฎหมายเ อ, อข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในตัวท่านมากขอนิมนต์พักค้างที่นี่สักคืนเถอะท่านไม่ใครอยู่ในบ้านนี้บ้างล่ะข้าพเจ้าอยู่ตัวคนเดียวแล้วลูกเมียล่ะข้าพเจ้าไม่มีลูกเมียอัตมาจะค้างอยู่ที่กระท่อมคืนนี้ มากันอีกในปัญหาต่างๆชายเจ้าของบ้านได้เล่าชีวิตของเขาให้ฟังชีวิตของเขาระหกระเหินจึงได้ปลอบเขาด้วยธรรมะทาให้เขามีกําลังใจในการต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่โดยวิธีทางอันชอบธรรมท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปไม่ได้ซะแล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะหนีไปอยู่ที่อื่นเร็วนี้ทําไมละ่ะอุบาสก การทํามาหาเลี้ยงชีพที่นี่ก็สะดวกดีไม่ใช่หรอสะดวกดีมากแต่ถึงอย่างนั้นขบเจ้าก็เห็นจะต้องไปเพราะอะไรมีบางสิ่งบางอย่างที่ขบเจ้าไม่ชอบหมู่บ้านนี้และขบเจ้าก็ไม่มีทางจะเอาชนะสิ่งนั้นซะด้วยถ้าท่านคิดว่าอาตมาเป็นที่พอจะไว้วางใจได้ขอบพระคุณอย่างสูงในความปรารถนาดีของท่าน ข้าพเจ้ายินดีจะเล่าให้ท่านฟังสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าไม่ชอบในหมู่บ้านนี้ก็คืออะไรนายบ้านท่านไม่ชอบตัวนายบ้านถูกแล้วท่านผูเจริญในหมู่บ้านนี้ข้าพเจ้าไม่ชอบกคือตัวนายบ้านนี้เองทําไมท่านถึงไม่ชอบเขา ในบ้านคนนี้มีอะไรแหละเขาเป็นในบ้านที่ร่ำรวยมีที่นามากมายนชาวบ้านทั้งหมดอาศัยนาเขาทากินเลี้ยงขีดโดยแบ่งผลิตผลให้เขาครึ่งหนึ่งทุกปีบางปีทำนาไม่ได้ผลชาวบ้านก็อยู่ในฐานะลำบากข้าวไม่พอจะกินต้องไปกู้ยืมข้าวในบ้านมาเลี้ยงลูกเมียพอถึงนาเก็บเกี่ยวผลิตผล ข้าวที่ได้ก็พอสำหรับใช้นีในบ้านต่อนั้นชาวบ้านบางคนได้กลายเป็นทาของนายบ้านไปแล้วอย่างสมบูรณ์ท่านผู้เจริญนายบ้านของเราเป็นคนใจคอโหดร้ายทารุณมาไม่มีความการุณาสงสารผู้ใดเลยเขาถือว่าเขามีอำนาจและก็มีทรัพย์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร เขาอยากทำอะไรเขาก็ทำที่ต่องการไม่คำนึงว่าพวกชาวบ้านจะเดือดร้อนกันอย่างไรขอให้ตนร่ำรวยและก็สบายใจก็พอเวลาเนี้ขขบาเจ้ารู้สึกตัวคล้ายๆกับอยู่ในตารางปีหน้าขอให้ฟ้าฝนอำนวยให้ดีๆด้วยเถอะทำนาได้ข้าวพอใช้หนี่ในบ้านหมดแล้วขบะเจ้าจะรีบหนีไปจากหมู่บ้านนี้ทันที ดูก่อนดูบาศกอาตมาสงสารท่านมากอาตมาจะพยายามหาทางช่วยเหลือท่านและชาวบ้านทั้งหลายท่านผู้เจริญจะช่วยโดวยวิธีใดอาตมาจะช่วยได้โดวยวิธีใดนั้นขออาตมาคิดดูก่อนคืนนี้ท่านนอนเถอะดึกมากแล้วถ้าเช่นนั้นข้าพระเจ้าขอนอนละ ด้วยข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านยังจําคําพูดนั้นได้อยู่หรือเปล่าอาตมาไม่ลืมหรอกยังจําได้ดีเสมอถ้าเค่นนั้นท่านเริ่มต้นหรือยังทันทีที่รุง่งเช้าอาตมาก็คิดช่วยแล้วจะได้วิตกไปเลยท่านคิดว่าจะช่วยข้าพเจ้าด้วยวิธีใดอาตมายังบอกไม่ได้ความคิดนั้นยังไม่เกิดเกิดแล้วนี่ท่านจะไปไหนเตินดูอะไรไปเรื่อย บางทีอาจจะเกิดความคิดช่วยท่านนั่นบ้านใครกันนะหลังใหญ่หน้าอยู่จริงๆนั่นแหละบ้านขขงนายบ้านที่ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ท่านฟังเขาเป็นนายบ้านที่มีอำนาจมากบ้านก็ตรงใหญ่สมฐานะจริงสินะสนามหน้าบ้านกว้างขวางต้นไม้มากมายร่มเย็นเด็กๆก็มาเล่นกันเยอะเด็กๆชอบมาเล่นที่นี่อืม ก็หน้ามาเล่นหรอกสนามกว้างขวางทั้งยังร่มเย็นเด็กๆเขาเล่นอะไรกันขนก้อนอิฐมาก่อทำเป็นรูปสถูปสูงเกือบถึงอกเอาอิฐก้อนสุดท้ายวาไว้บนยอดทำยังกะว่าก้อนอิฐนั้นเป็นอิฐพิเศษคงเสร็จแล้วสินะเธอไม่นั่งดูกันนั่งดูผลงานของตัวเองด้วยความพอใจ ถ้าทางชื่นชมกับผลงานของตัวเองมากอะลั่นทําอะไรอะะดึงอิดก้อนที่อยู่ข้างล่างออกมันก็ ล, มล้มละสิอ้าวหมดหมดหมด <c oughs> พังทลายลงมาหมดแล้ว <c oughs> พังทลายเขาก็ก่อขึ้นมาอีกทาไมต้องทําอย่างนั้นด้วย <c oughs> ออ <c oughs> ในบ้านนั่งอยู่นั่นที่หน้าประตูบ้าน <c oughs> อัตมาเห็นแล้ว <c oughs> ทาเป็นไม่เห็นเถอะซะ <c oughs> แล้วท่านก็กลับไปบ้านก่อน <c oughs> ท่านละ่ะอัตมาจะอยู่ที่นี่ ตอนนี้คิดอุบายได้อย่างหนิที่จะทำให้ในบ้านท่านรู้สำนึกท่านคิดว่าจะสำเร็จหรือไม่อาตมายังไม่รับปากแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดข้าพเจ้าไปละขอให้ท่านทำงานเป็นผลสำเร็จ พ่อหนูจะกำลังทำอะไรเนี่ยเล่นกอลรฟและสตูพะทำไมจึงวางอิกแผ่นนั้นไว้บนยอดพระสถูบล่ะก็สมมติว่าเป็นเวลาชานั่งอยู่บนบันลังจึงต้องวางไว้บนยอดสถูจะได้สูงกว่าอิกแผ่นอื่นยังไงล่ะอืม เจ้าเล่นเข้าทีดีมากเจ้าหนูเออถ้าอิดแผ่นที่อยู่ยอดเป็นพระราชาแผ่นอิดทั้งหลายที่รองรับอยู่ข้างล่างก็เปรียบเสมือนเหล่าเสนาขา้าราชบริพารและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินละสิทำกดแล้วค่ะอา้าวนั่นคงเสร็จแล้วสินะเสร็จแล้วค่ะอ้าวใช้ดูหน่อยพวกราอ่ะดหน่อยดูหน่อ ย, อยปไปงสวยไหมก็เมือนกับลานั่นละจัดการกัมันได้ดยังอ้อาว กระพังนะสิข้าพเจ้าชักแผ่นอิฐที่ร้องรับอยู่ข้างล่างออกแผ่นอิฐที่อยู่ข้างบนจะไม่พังลงมาหมดน่ะพอหนูเอ้ยการเล่นของเจ้าช่างมีคติจริงๆฉันได้ความรู้ใหม่จากการเล่นของเจ้าแล้วความรู้ใหม่อะไรน่ะแผ่นอิฐของเจ้าสมมติให้เป็นพระราชาจะคงอยู่บนยอดสถูปได้ ก็เพราะอาศัยแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างเป็นเครื่องเทิดทูลรองรับถ้าเมื่อได้แผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างไม่รองรับไว้อิฐที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอิฐทุกๆุกแผ่นจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะทรงรูปเป็นสถูปอยู่ได้ถ้าอิฐแผ่นสูงสุดเข้าใจว่าตัวดีเด่นกว่าแผ่นอื่นๆเป็นราชาของแผ่นอื่นๆไม่ต้องอาศัยใคร นับว่าเป็นการเข้าใจผิดพ่อหนูเอยการเล่นของเจ้าเป็นเครื่องสอนใจฉันอย่างดีทีเดียวสอนใจอะไรเหรอฮะการเล่นของเจ้าทำให้ฉันเข้าใจในสภาพของสังคมมนุษย์ได้ดีขึ้นอย่างมากฉันพิ่ทราบเดียวนี้เองว่าบางคนเมื่อมีอำนาจมีทรัพย์มียศสูงกว่าผู้อื่นก็มักจะเข้าใจผิดไปว่าตนวิเศษที่สุดไม่ต้องอาศัยใครอยากจะทาอะไรก็ทา ไม่ได้คํานึงถึงหัวอกผู้อื่นใครจะลําบากยังไงก็ช่างขอให้ตัวเองสบายก็พอเป็นการเข้าใจผิดอย่างชัดๆทีเดียวเข้าใจผิดยังไงฮะเข้าใจผิดสิ <ว ária. S 1> เพราะขณะที่เขาประกาศว่าเขาไม่ได้อาศัยใครนั้น เ, <อ>เขากําลังอาศัยผู้อื่นอยู่แล้วดุดแผ่นอิฐที่อยู่บนยอดสถูกได้เพ<อ>ราะอาศัยอิฐได้หลายแผ่นที่รองรับอยู่ข้างล่างอ踩踩 พูดนะคนรยคนที่รวยทรัพย์มักจะเกิดความหยิ่งยะโสคิดว่าตนน่ารวยแล้วไม่ต้องงอนง้อใครไม่ต้องพึ่งใครทั้งที่ตนกําลังพึ่งผู้อื่นอยู่ทุกประตูพึ่งยังไงนี่แหละคนรวยรวยอย่างนั้นแหละถ้าเราจับเขาใส่ไว้ในเรือสําเภาพร้อมด้วยเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วนําไปปล่อยไว้กลางมหาสมุทรคนเดียวจนตายเขาจะยอมไหม ไม่ยอมแน่นอนเพราะถ้าไปอยู่กลางมาหาสมุทรคนเดียวเงินทองไม่ว่าจำนวนกี่กอก็กลายเป็นของไร้ประโยชน์จะเอาโยนลงน้ำปลาก็ไม่เอาใจใส่จะโยนขึ้นไปบนอากาศนกก็ไม่เหลียวแหลเมื่อไม่มีใครรองรับค่าของเงินซะแล้วเงินกลายเป็นเศษโละหะที่ไร้ค่าเงินจะมีค่าอยู่ได้คนจะร่ำรวยอยู่ได้ก็เพราะคนทั้งปวงยอมรับรองค่าของเงิน ฉะนั้นคนเราจะรวยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยการรับรองจากคนอื่นจึงได้ชื่อว่าพึ่งผู้อื่นโดยตรงฮะจรนะทีเดียวจริงทีเดียนะดูอดพ่อดูน้อยฮผู้ใดได้ลาบได้ยศแหลมมัวเมาเข้าใจว่าตนดีวิเศษกว่าผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนผู้น้อยผู้นั้นเท่ากับกําลังทําลายราก ฐ, ฐานเครื่องรับรองของตนเองในไม่ช้า ตนเองก็จะพังทลายลงมาเหมือนอย่างที่พ่อหนูชักแผ่นอิดที่อยู่ข้างล่างออก <G ül> แผ่นอิดที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาฉะนั้นผู้ใดได้ราบยศแล้วไม่มัวเมาเอาราบยศนั้นมาช่วยเกื้อกูลอุดหนุนแก่ผู้น้อยผู้นั้นเท่ากับสร้างรากฐานของตอนเองให้มั่นคงแข็งแรงคนทั้งปวงจะยกย่องเชิดชูให้เขาอยู่ในตาแหน่งสูงส่งตลอดไปโอ้โ <G ül üyor> จ, จะเลนอา้าว ท่านเอาไปจ้าไปไนั่บ้านะแล้วท่านร้องไห้ทำไมล่ะเอาดูสิมันนั่งกราบแล้วก็ร้องไห้สือกเออื่น เ, เกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยอุบาสกาข้าไปเจ้ า, ามีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้น <c oughs> บอกอัตมาดเร็วเถอะอุบาสก อาตมายินดีจะช่วยเหลือจนสุดความสามารถรูถ้จะเแิ้เอาไปเจ้าเอิบบอกมาเถอะอุบาสก